อ่ะตอนนี้อย่าเพิ่งเป็ดยุ่งอะไรกับไฟหลยปล่อยเป็ดนะสงบทิ่เป็นความสงบต้องใช้บ้างอาจจะปิดไฟนิออนก่อนกันนะก็ดีได้บรรยากาศดีเตียง น, นิ่มจะเย็น สบายการก็ไม่มีไฟฟ้าหรอกอย่างสุดพัทธปริภาชกเนะี่ยเดินจงกรมทมกลางแสงจันทร์ตอนที่บรรลุเป็นพาาาระอรหันต์นี่หน้านวลสว่างสวายยิ่งกว่าแสงจันทร์ไม่ได้เห็นหรอกปรากิดไม่ทัน แล้วก็มีการบรรยายทำให้เห็นภาพในพระไตรดิฎกเราฟังดูแล้วก็ดูรื่นรวงไปในจิตใจของเร า, เราว่าธรรมชาติแสงดาวแสงหิ่งห้อยหรือว่าเวลาฝนตกเห็ดขึ้นตามขอนไม้ มีฟอสฟอรัสก็จะเลืองแสงเป็นพรายน้ำดูแล้วอศัศจรรย์้าให้เห็นตัวเรานี่แหละธรรมชาติมักจะสะท้อนให้จิตใจของเราเป็นธรรมชาติเป็นปกติหรือว่าทาให้เกิดความฉลาดก็ว่าได้ ทำเห็นความสุขง่ายๆที่มันมีอยู่รอดๆตัวเช่นลมแผ่วๆกระทบสัมผัสสบายยไม่ใช่ห้องแอร์แห้งมีเชื้อโรคยิ่งมีปลบมมีฝุ่นลองเดี๋ยวนี้ก็ไม่เป็นดินยมเท่าไหร่ถ้ามีก็ต้องมีเครื่องดูดฝุ่น มีเครื่องสเปรย์ความชื้นโอโซนอีกหลายอย่างหมุนค้า อ, อากาศแบบนี้ได้อยู่ในเมืองเนี่ยหมดเงินหลายตังค์มันก็ส่งเสริมเป็นสิ่งแวดล้อมให้เราไดนะ้เกิดความสบายเนื้อสบายตัวสบายยะนิ่วันนี้ถ้าเราไปที่ลานหินโกงเห็นบรรยากาศพระปฏิบัติการส่วนหนึ่งดานบน ย่าโยมผู้ชายอยู่แทรกแทรกพระเดินจงกรมผู้หญิงหลายหลายคนถึงไม่บวดก็เข้าถึงการปฏิบัติเดินจงกรมด้านล่างชายล่างบางทีก็มีเด็กอายุไม่ถึงยี่สิบก็ไปเดินปากายตีคู่กับพระ ก็จะว่ า, ายศาสนาจะเสื่อมยากศาสนาคือตัวเราถ้าตัวเราไม่ทุกข์มันก็บอกถึงการกระทบกระเทือนสะเทือนกระทบออกไปก็จะทำให้เกิดความผาสุกทำให้เกิดความสงบเจน็นโลคนิมก็ไม่ร้อน หลังจากทุกคนก็หันกลับมาดูตัวเองจิตใจเป็นปกติต่างคนต่างเดินยังกรต่างคนต่างนั่งสร้างจังหวะฝึกตนฝึกตนฝึกตนฝึกตนนไม่ใช่แค่มาทําบุญอย่างเดียวมต่อยอดเป็นถึงจิตกุศลบุญก็คือเชิงความสุขที่ได้มาโดยชอบความสุขที่ได้มาโดยชอบมันเป็นความสุข เช่นบางคนอาจจะทำงานทําการ์ดแล้วก็เกิดผลกําไรขึ้นมาสามารถเปลี่ยนแปลรูปไปเป็นปัจจัย4 5 6 7 8บ้านที่อยู่อาศัยยารักษาโรครถยนต์โทรศัพท์มือถือทีวีอินเทอร์เน็ตต่างๆเครื่องประดับอดาทองหยองเพชรพลอย มาจากเงินที่เราก็พยายามที่จะหาเอาเข้ามาเท่าไห่บางทีก็อาจจะไม่พอเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเวลามุนค่าทั้งค่าเงินมันอ่อนตัวเงี้ยทั้งเงินเฟอ้อเงินมีเยอะขอมีน้อยมันก็หาถ่าไห่ก็ไม่พอหรอกบางที อยู่ตรงจุดที่มันทามาค้าขึ้นพอเส้นทางเปลี่ยนกระแสข่าวลือเปลี่ยนไปเจริญอีกที่หนึง่งกับเป็นทางตันอว่าอับไม่มีใครแวะเข้ากลายเป็นความเสื่อมความตดตอยได้มันก็ยังไม่ใช่ ถีชีวิตมันจะพาสู่ความเจริญรุ่งเรืองเท่าไหร่ก็ไม่พอเอาเข้ามากๆก็เลี้วเห็นแก่ตัวอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่สุขบางคนเอาเข้ามาไม่สุขเอี่มจนเอียนยจนอยากอ้วกมันก็เกิดการให้ขึ้นมาพอให้แล้วมีความสุขเล็กๆน้อยก็มีความสุข คนก็ยาดที่บ้านขายก็ไม่ได้ราคาเอาไปแจกจ่ายที่อื่นให้วัดให้วาก็มีความสุขขึ้นมาถ้าเกิดการให้กมาสัตว์สาราสิ่งคนยากคนจนพระสงฆ์แต่บางทีให้แล้วก็มีความทุกข์เหมือนกันให้เงินก็เยิมก็ไม่คืนเ็ทุกทำเดียคนอื่นก็เนรคุณทรยศหักหน้าหักหลัง ยิงให้เราก็ยิงทุกเหมือนกันบางทีให้ไม่อยากให้เอาก็ไม่อยากเอาอยากอยู่คนเดียวในโลกเก็บเนื้อเก็บตัวบางทีก็ซื้อเครื่องไม้เครื่องมือดีๆหรือรถดีๆเครื่องเล่นดีๆราคาแพงๆเครื่องล่อนบางล่อนไปท้องฟ้าอยู่คนเดียวไม่ต้องเจอคนรักคนจัง สบายใจสักพักหนึ่งเออลงมามีความสุขขับรถดีๆลุยที่ลำบากยากหน้าผาหรือว่าหุบเหวไตเขาไตก้อนหินไปรถโฟล์วได้ไปกางเต็นท์นอนในป่าพักแรมสบายใจลงทุนขนาดนั้นหลายล้านบาทหมดเงินไปปีนหน้าผาไต ภูเขาน้ำแข็งเทื้องขาวอิบลิสนี่คือเด็เดปักธงชาติไทยหมดไปสองล้านบาทแล้วก็บอกว่ามีความสุขบางคนก็ไปหาความสุขจากการทำสมาธิเปิดหนักสืออ่านเองศึกษาจากตำรับตำรา บางทีก็ทำถูกบางทีก็ทําไม่ถูกบางทีทําก็สงบบางทีทําก็เกิดนิมิตคิดมากๆจนบางทีเพี้ยนไปก็มีคิดว่ามันรู้ทําแล้วตัางสํานักบางทีก็เจ้าเข้าทรงต่างๆเห็นนั่นเห็นนี่เห็นนู้น น, น, น, นิมิตมากมายเห็นสวรรค์เห็นนรก มันมีความสุยแบบคือการที่เรามาเนี่ยวัดป่าสโตฝึกสติกันเนี่ยจเจริญวิปัสสนากรรมฐานมันเห็นโลกตามความเป็นจริงถ้าเกี่ยวข้องถูกต้องเป็นปัญหาเป็นปัญญาทะลุทะลวงไปเลยแตกแนสัมผัสมีแต่ว่าไม่ปรุงสัมผัสดับเห็นสวัสเห็นสัมผัสดับจากสุวิญญาณได้ยินสวัสดได้ยินสัมผัสดับ ไม่ปลุงมันเห็นโลกตามความเป็นจริงะอไรเกี่ยวข้องถูกต้องไม่ต้องทุกข์มินท่าสรรเสริญมีลาบเสือ่อมลาบมียศเสือ่อมยศมันกระทบระดับผัสจามันดับไม่ใช่กระทบแล้วต่อยาวปรุงแต่งชาวทั้งเกิดความพอใจไม่พอใจกิเลสเป็นเหตุแหล่งทุกข์ความโลภความกดความหลง บางทีความโกรธมากระทบกระทบแล้วก็โกรธโกรธจะเป็นจริตนิสัยความโกรธก็แสดงตัวบางทีไม่มีใครทำให้เราทุกข์อยู่คนเดียวคิดให้ทุกข์เกิดนามรูปขึ้นมาเราก็เลยเนะี่ยแหละมาฝึกเจริญสติก็จะได้เห็นชัดๆนะ เ, หเห็นใหญ่น้อยเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นความรู้สึกตัวละอันดับแรก รู้สึกกายรู้สึกกายรู้สึกที่กายตรงนี้แหละชัดเจนทุกครั้งนั่งเดินอยู่นอนรู้สึกที่กายมันไม่ใช่นั่งไม่ใช่เดินไม่ใช่เยื่ไม่ใช่นอนมันเป็นรู้สึกตัวตัวนี้แหละมันเป็นมรรคผลนิพพานลักษณะของการเคลื่อนไหวยกมือสิบสี่จังหวัด และจังหวะกระทบสัมผัสรู้สึกอันนี้เป็นรูปแบบแนวปฏิบัติหลวงปู่เทียนจิตเทว โ, ท, โที่ท่านชีน้นำเอาไวใ้ให้เราได้ลองฝึกหัดปฏิบัติจริงหรือเท็จอันนี้ต้องทำเอาเองตัวใครตัวเราศรัทธามีความเชื่อมีบางทีไม่ต้องเชื่อแต่ว่าไม่ต้องปฏิเสธวิสัยบันดิตรู้ไว้ใช้ไหวใส่บาบะถามเราก็ทดลองทาดู กรรมฐานแนวหลว่อเทียนจะเป็นกรรมฐานแบบเลื่มตาไม่ใช่นั่งหลับตาแล้วฝึกให้เราไปใช้ชีวิตในโลกองความเป็นจริงขับรถเลื่มตาทํางานเลืมตาไปตลาดเลืมตาเอาไปใช้ใช้ชีวิตนให้เกิดคุณเกิดค่าชีวิตนี่ตั้มันใช้เรามันก็ค่าเรานะแต่เราใช้ชีวิตจเจริญงอกงามมีกายใช้กายเกิดคุณค่า ตังลังกายใช้ลามัก็ฆ่าคุณความคิดก็เหมือนกันใช้ความคิดก็เกิดคุณฆ่าแต่ความคิดใช้ลมก็ฆ่าคุณคุณฆ่าสําฆ่าคุณอันนี้เราลองย้อนนึกถึงสถิติการฆ่าตัวตายของโลกใบเนี่ยมันมากกว่าภัยร้ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาโรคาไปอุบัติภยัย อุทกภัยวัตภัยธรณีวิบัติภัยยังไม่ไร้ายแต่ว่าภัยที่เกิดจากบัตตาสงสารคนฆ่าตัวตายในทุกๆสี่ศีวินาทีมาสติติห้าปีที่ผ่านมาสี่ศีวินาทีมีคนฆ่าตัวตายหนึ่งคนสี่ศีวินาทีมีคนฆ่าตัวตายหนึ่งคนมันมากเหลือเกินผู้หญิงฆ่าตัวตายเป็นดับสองต่อหนึ่งสองคนผู้ชายหนึ่งคนแต่ผู้ชายมีความสําเร็จ ผู้ชายตายสองคนผูหน้หญิงตายหนึ่งคนนีมันจึงเป็นภัยร้ายใกล้ตัวบางทีไม่ได้คิดฆ่าตัวเองแต่มันก็คิดจะฆ่าคนอื่นหาค่าประยาบาดเป็นสนนรกจิตบางทีมก็ขี้ขาดตาขาวขึ้นมาเป็นอสุรกายท้ายสุดคือไม่ฆ่าตัวเองก็ฆ่าคนอื่นเป็นเป็นเป็ น, ปนกรรมก่อภพก่อชาตินับไม่ถ้วน เลววัตสัตว์เดรัจฉานเดรัจฉานนี่ล็อกความโง่ไว้ตายตัวโง่แค่ไหนก็โง่แค่ น, นั้นมันไม่โงอลื่นกันกินเหล้าสุบรีติดยาเสพติดมันไม่คิดค่าตัวตายสัตว์เดรัจฉานอย่างมากมันมีภัยมันก็ฆ่ากันยมทิมก็แย่งกันสืบพันธุ์มันก็ฆ่ากัน บางทีไม่ได้ค่านะแค่นอนง่ายมันก็ยอมแพ้มันก็ไม่กระทือนซ้ำนะก็สังเกตได้จากสุนัขนี่แหละสายฉานก็มีลักษณะของน้ำใจอีกตัวหนึ่งแพ้อีกตั ว, ก, ตวก็ไม่เอาละแต่คนในยาแพ้ยานะทำตัวเป็นแพ้ล้มเนี่กระทือนซ้ำเลยมันเป็นอย่างนั้นขับรถชนเนี่ยจะตายไม่ตายเนี่ยถอยเหยียบไปเละเลยไม่งนั้นเดี๋ยวใจหนัก ชีวิตตายดีกว่าเสาียตังมนุษย์นี่โง่ลึกกินเหล้าเมายาบางทีถึงกั้นฆ่าตัวตายผูกคอตายกินยาตายโดดน้ำตายอเปืนมาจ่อยิงหัวตัวเองตายหรือบางทีก็ทำอะไรอีกพิษดานมากมายแล้วกันอันนี้เกิดจากความคิดสมองมนุษย์นี่ ถ้าไม่รู้จักใช้ควบคุมไม่เป็นไม่เคยรู้จักฝึกหัดเจริญสติปัฏฐานจนเห็นความคิดรู้ทันความคิดก็แน่ละความเกยจะมีอิทธิพลมีอำนาจเราก็ต้องใช้พลังใช้พลานุภาพของสติให้เป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องกำลาบให้ความคิดเนี่ยมัน เท่าที่จําเป็นเจตนาคิดอย่างเงี้ยวันตั้งวันเจตนาคิดก็เกิดประโยชน์บางทีก็คิดแปอดีตนี่คิดแปอนาคตไม่ได้ตั้งใจห่วงลูกห่วงห้านห่วงบ้านห่วงงานห่วงทรัพย์ห่วงสุขภาพต่างๆวิตกกังวลแล้ววันนี้ถ้าใครได้มีโอกาสฝึกสติก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้แหละมันเกิดขึ้นมาบางทีก็คิดถึงบ้านเดียวคิดถึงอนาคตพวงนี้เดินทางกลับอย่างไร กลับไปงานจะทํำยังไงมันก็เป็นความคิดนะที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติธรรมเรากลับมาหาสัมผัสรู้ความรู้สึกตัวการกระทบสัมผัสรู้ความรู้สึกตัวแต่ละขณนะมันคือคําตอบมันเป็นปัะจวบนขณะเป็นปกติรู้ซื่อๆรู้เฉยๆบางทีจะมีนิวรณธรมรมโผล่ออกมาภาษาบาลีภาษาธรรมะนิวรณธรรม ภาษาไทยก็คือต่านกันจิตไม่ให้มารู้ถึงคุณงามความดีเราจะทำดีทำยากทำไม่ดีมันจะง่ายตัวแรกคือความง่วงความง่วงเรายกมือปั๊บ5้านาทีสิบนาทีสิบห้านาทีมันก็จะง่วงพอง่วงก็จะหยุดเคลื่อนแล้วก็หลับตาตกำหนดรูปลมหายใจเบาๆอร่อย มันจะมีความสงบแล้วก็ปนๆกับความง่วงฉลุมฉลือเบลอเลอเหมือนเมาเวลาปฏิบัตินี่วัลธรรมมันไม่ให้เรารู้สึกตัวเราก็ต้องแก้เกมแก้อารมณ์เปลี่ยนอารมณ์จากตา ม, มันหลับกระลืนออกมาหายใจแผ่วๆหายใจแรงๆหลังที่มันงอลงไปงอมันก็ยืดออกมา จากนั่งเป็นยืนจากยืนเป็นเดินจากเดินเป็นเดินเร็วถอยหน้าถอยหลังอะไรก็เอาแก้มันให้มันตื่นปุกมันปลุกเราธาตุรู้แทนที่มันจะเป็นธาตหลงหลงซึมหลงง่วงให้นเป็นธาตุรู้รู้ตื่นเบิกบานออกมาบางทีก็ลังเลสงสัยวิธีจา ภาษา บ, บษาลีวิจารวษาไทยลังเลสงสัยทำอย่างนี้ถูกหรือเปล่าเดินช้าไปหรือเปล่าเดินเร็วไปหรือเปล่าวางหน้าวางตาเก็งเพ่งจ้องมันใช่หรือเปล่าบางทีก็เดินมีซ้ า, ายขวาซ้ายขวาหนึ่งสองหนึ่งสองยกย่างเหยียบหนอบางทีก็ใสความคิดใส่ คำบนลงไปมันไม่ใช่บริกรรมน้่นบนไอสภาวะจริงๆพระวาติศสภาวะจบไปแล้วแต่ว่าสมมุติตามมาเราเข้าถึงประมัดอยู่แล้วนแต่รู้แต่รู้สัมผัสรู้รู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็วางวางแล้วก็ว่างวางจากความคิดว่างจากความหมายความเป็นตัวตนแต่ก็ยังมีความคิดการที่เราคิดปนไปน กำหนดไปรู้สึกรู้สึกแล้วก็พูดตามอันนั้นันเป็นลนักษณะของสมถะกรรมฐานจต่ตัวที่แตะแล้วก็ปล่อยรู้สึกนีตัวนั้นมีปัจจน า, านกรรมฐานก็สังเกตเอาบางทีก็มีลักษณะของอุทันจากกุกุจะกภาษาบาลีอุทันจากกุกจุจักเนี่ยกุกุก็ไก่เขีย่ยกุกุ กุกกุกกุ๊กกุ๊กไก่บาทีเม่าเกิดขึ้นมาเรื่องเก่าจบเรื่องใหม่มาเรื่องใหม่กลายเป็นเรื่องเก่าจบเรื่องใหม่ก็มาอีกไหลเป็นสายน้ําทะลักทะลวงอันนี้ดีถือว่าดีถือว่ากิเลสมันลอกกเป็นชั้นๆเลยอะไรประทับใจไม่ประทับใจนทิมนอนเรื่องเป็นบนทินเครื่องเศร้าหมองไปในจิตใจของเราคิดเป็นสุขเป็นทุกขนะ์ ใครเคยทำกับเราเราเคยทากับใครเห็นไหมความโลภความกดความหลงความรักความชังรอยสุกรอยทุกข์ลอยได้รอยเสียอัตตาตัวตนมาหน้าทิฏฐิหางการมามังการความทรนงยิงผยองลําพองความอวดดีต่างๆมันลองรอออกมาเป็นบัญชีหนังมาเน่าบัญชีแผ่นทองคําสารพัดนั่นแหละมันก็ลอกออกมาให้เราได้ดู เกิดการทบทวนทบทว น, ททวนปฏิจาร์เออกลับมารู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวบางอย่างก็ไม่ทําบางอย่างก็ดีแล้วแต่ว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาจําเป็นที่จะต้องคิดมันเป็นเวลาที่เราจะต้องเคลื่อนไปกระทบสัมผัสรู้สึกหลักกรรมฐานคืออยู่ตรงนี้กลับมาเป็นคอเห็นนะเออมันออกจากความคิดหัวมันก็โปร่งโลง่งอยู่เหนือความคิดอยู่เหนืออารมณ์ มันก็ได้คาตอบตรวนี้แหลมจะได้หลักในการที่จะใช้ชีวิตแล้วก็เป็นการพัฒนาจิตปฏิบัติธรรมไปคู่กันอยู่วัดก็ปฏิบัติธรรมอยู่บ้านก็ปฏิบัติธรรมอยู่ไหนๆไหนๆก็ใจทั้งหมดปฏิบัติธรรมมันก็เหมือนกับอยู่กับธรรมชาติกายก็เป็นธรรมชาติจิตใจก็เป็นธรรมชาติพูดออกมาก็เป็นธรรมชาติมันก้าวถึงตัวของธรรมชาติตัวของธรรมะ ก็คือการมีสตินั่นแหละก่อนคิดก่อนพูดก่อนทำขณะคิดขณะพูดขณะทําหลังคิดหลังพูดหลังทําเราก็ได้สมบัตินีก็เป็นการใช้ชีวิตนีก็คุม้มที่เกิดมาเป็นชาวพุทธอยู่ในกรอบของพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าวัดเข้าว่านะเรียนรู้เรื่องการฝึกสติปัญญานฝึกหัดปฏิบัติแล้วมันจริงสัจจะ ก็คือความจริงที่พระโกหกโยม ไ, ได้โยมโกหกพระก็จะได้ที่ไหนสิ่งเดียวกันพระปฏิบัติสําเร็จพระสงฆ์นะก็เป็นภ ร, ริยาสงโยมสําเร็จก็เป็นอริยาบุคคลก็วิชาเดียวกันวิชากรรมฐานแต่ว่าก็ต้องฝึกหลักกันแก่ไหนมันก็ให้กันไม่ได้ก็ตัวใครตัวเราก็จึงเป็นเพียงแค่สิ่งแวดล้อมกายามิตรทําไปด้วยกัน ละก็ทำโยมก็ทำสิ่งเดียวกันเกินไหวรู้สึกทีนี้เราก็นั่งยกมือสิบสี่ยังไงแล้วก็เดินจงกรมเป็นหลักนะต่อมาคือกามนี่เวลรรมตัวกามบางทีมันก็ให้คุณค่าทางสายตาตาดูก็เพิดเพลินไปทางสายตาที่หูฟังก็เพิดเพลินไปทางหูฟังที่จมูกได้กลิ่น มันก็ยึดเข้าไปเมลวตานเข้าไปเพื่อเพลินอยู่ในกลิ่นรูปเสียงกลิ่นลดโพธตพาทำอรมณ์มันก็เพืเ่อเพลินไปแล้วเออกลับมารู้สึกกลับมารู้สึกปฏิบัติปฏิบัติปฏิบั ต, บติแล้วก็ปฏิบัติกำลังเชื่อมโยงต่อเนื่องไปวันทั้งวันเนี่ยถ้าใครทำไดแ้แป๊บเดียวนะหมดวันอีกแล้วชีวิตมีความสุขแป๊บเดียวหมดวัน แต่ถ้าทุกแต่ลราเนาทีเนี่ยมันนานกนไข้รอหมอไงนะว่าเรากําลังเร่งด่วนเวลาเร่งรีบจะรีบไปมันนานแท้ๆห้านาทีสิบนาทีนมันเหมือนเป็นชั่วโมงมันเป็นวันเวลาทุกเจ็บปวดขึ้นมามนนาน ม, าาามันนานเมื่ลัยบาดแผลมจะลบเลือนหายมันนานพอมีความสุขเนี่ยแป๊บเดียวยิงมาวัดเนี่ย จณ์สติเนี่ยวินาทีหนึ่งวินาทีหนึ่งวินาทีหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเหมือนก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เราไม่ประมาทกนันเวลาผ่านไปผ่านไปวันนี้เราทําอะไรกันอยู่หลงไปในกาลมัตุกรรมะคุณชีวิตก็จะขาดทุนกำไรชีวิตก็คือเนี่ยกลับมากลับมากลับมา ต่อมาก็คือเรื่องของพยาบาลความไม่พอใจผูกโกรธขึงเครียดต่างๆหงุดหงิดนำคารปฏิกะรู้สึกว่าเออมันร้อนรุ่มตัอวอ่นกระวายใจกระสกกระายกระเสือขะสนอาการจิตเรื่อ น, น, นั้นนี่ถ้าเป็นหญิงก็เรียกว่าสีกับผีกระสือ ผีก็ะเซือจมีการกระเสือกระสนกระใส่กระสายอยู่ไม่ได้ถ้ามือก็ยังออกเนี่ยกระเซือวุชัยก็หังกระหอบกระเย็นกระือรือมีอาการบอกพบภูมิปฏิวัติธรรมนี้เราจะรู้พบภูมิรู้จักพบภูมิที่เป็นชาติการเกิดแต่ละขณะของจิตเราจิตปกติก็เป็นพระไปใช่ไถ้าจิตสะอาดสว่างสงบรู้สุขรู้ทุก็เป็นมนุษย์ไปใช่ไหม รรวมสุขรวมทุกกำลังเลือกสุขเกลียดทุกพอมีสุขเกลียดทุกเอเป็นเทวดาไปซะพร้อมที่จะให้ไอ้ชั่วกลัวบาปเป็นเทวาเออเป็นเทวดาก็เทเทจนกระทั่งบ่อยๆเป็นเรื่องธรรมด า, รรมดาจนติดวินิสัยไปที่ไหนก็เทเทเทเทเทถ้าเทไม่เป็นก็อยาล้นวัดจะนะ เทวดาพรหมพรหมก็คือมันจะไม่ประมาททุกๆชีวิตนะมนุษย์ต้นไม้ใบหญ้าสัตว์สาลาสิ่งต่างๆสวัสัตว์สิ่งพร้อมมีรถกำลังรถนะใจปล่อยเทียงปล่อยฟางดูกัวกุ้มมมมีบ้านมีช่องมาดูแลความเป็นพรหมน่จะดูแลใจใหญ่ มีเมตตากรุณาไว้ท like ้าเบียคาใจใหญ่เห็นสิ่งใดน่าช่วยก็ช่วยทันทีไม่มีใครทํากระทําทันทีเป็นทุกข์เห็นเป็นทุกข์อะเอช่วยเหลือกรุณาเมตตาคือเห็นก็ทุกข์กรุณาคือเออมันไม่เห็นเฉยๆลงมือช่วยลงไปคนตกน้ำไม่ยช่เออรู้แล้วเฉยๆรู้แล้วซื่อๆไม่หรอกเดินไปเฉยๆ ตายสุดไม่ช่วยเสียใจตายมีพระอยู่รูปหนึ่งสายลวงบูชาท่านก็เดินแล้วก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งร้องนะก็อุเบกขาทำอเบขาทำรู้เฉยเฉยรู้เฉยเเดินผ่านไปก็ไป ก, กลางกรดดูอีกในหมู่บ้านเลยไปอีกนะสองสามกิโล วันรุ่ขึ้นก็ทราบข่าวว่าผู้หญงคนนั้นโดนคงคือแล้วฆ่าตายถูกค่าตายตันนั้นมาเข้ากรรมาฐานไม่รอดเลยทําไมเราไม่ช่วยเขาทําไมทำไ ม, ำไมเราขี้ขาดขนาดนี้จหรือทําไมโง่ขนาดนี้ปล่อยใหเขาตายเพียงแค่เราเดินไปก็เห็นก็ก็วิ่งแล้วเนี่ยมาคิดได้ทีหลังเี้ยก็เรียกว่าเห็นแล้วก็ไม่มีปัญญาไม่เมตามตาเมตตาเ อ, อ่บหน้าของกรุณาเมตตาเบิกขา ก็อยู่เล่นมาใช้กับเบรคขาเลยแล้วก็ใช้ไม่เป็นท้ายสุดคือเข้ากรรมาฐานไม่รอดอย่างเนี้ยเพราฉนั้นเวลามันเห็นอะไรไม่ดีมันก็รอจังหวะอยู่ช่วยอยู่อย่างในวันที่เคยนะช่วงหนึ่งหน้ามันท่วมที่วัดเนี่ยท่วมชลาหน้าเนี่ก็ท่วมเครื่องทรงเครื่องเสียงท่วมมาสูงเลยครานี้น้ามันก็แห้งหนึ่งวันสองวันสามวันสี่วันมันแห้ง แล้วก็มีปลาอยู่กลุ่มนึ้งกันนะมันก็น้ําแห้งก็ติดน้ํามาดีกันเนี่ยามาก็เดินผ่านไปผ่านมาก็เห็นปลากันจะไปจับตอนโยมอยู่เดี๋วหาแหม่ปลานี่อะไรกันบางคนก็คิดในแง่ลบอย่างเงี้ยนะก็รอจังหวะเดี๋ยวมันมืดหน่อยก่อนหลังทางาศศําบ้าเจงเงี้ยมาก็รอมืดกันก็ออกไปไปฉายไปส่อง ก็จับจับจับจับจับจับจับก็ใครกลวนอยู่หลายกลางหลายหนจะจับหรือจะไม่จับจะจับหรือไม่จับไท้ายสมก็สรวจไปจับช่วยก็นหน่อยก็ดีล้ายๆกับมันตอนจำใหมก่อนเคยจับปลามาเยอะเอาไปแกงเอ้ยต้มไปยำไกลๆก็ไถ่ายโทษหน่อยมันเป็นระดับนั้นอ่ะช่วยก็ได้ก็ช่วยไปไอ้ทีทําได้ก็แล้วไปไอ้ทีจะช่วยก็จะช่วยต่อไป เงยจ่ไปปล่อยก็เรียกว่าเมตตาก็เห็นเป็นอย่างนั้นแต่ก็ทําแล้วก็แล้วไปทาไม่ทําหรือว่าทําแล้วเราช่วยไม่ได้จริงเราก็มีเวีย้ยขาก็สุดปี่มือแล้วช่วยได้แค่นี้แหละถ้าช่วยได้มีความสําเร็จเหมือนกับลอยคอขอบคุณขอบคุณปลาลอยหัวขึ้นมาหายใจเหมือนกันก็ได้น้ำขวางขวาง มีความสุขโลกใหม่ของเขาเราเห็นก็มีชีวิตที่น่าจะปลอดภัยไม่มีใครทำร้ายก็ได้แล้วเงี้ยไม่มีภัยไม่มีภัยแล้วออมีความสุขไปกับเขาด้วยอันนี้เป็นลักนณะของจิตที่มเป็นพรหมเราเห็นว่าเวลาปฏิบัติมันก็เกิดขึ้นมาแต่ว่าขณะที่จเจริญสติปัฏฐานจริงๆในรูปแบบเวลาเจอลมแบบนี้แล้วก็ไม่ยุ่งกับมันเหมือนกัน คิดดีขนาดไหนก็แมวกลับมารู้สึกตัวจะคิดไม่ดีขนาดไหนกลับมารู้สึกตัวเกลียก่อนเราจะค่อยๆเห็นอารมณ์มันพุ่เกิดขึ้นมาจมําแนนนะมาแล้วมาเอียรเราจะเลือ๋อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สมมติฐานตัวคิดเกิดขึ้นมาเป็นบนุญเป็นบาปตัวรู้อยู่ตรงนี้ตัวหลวงอยู่ตรนี้โอ้มันก็ชัดเจนภายในความเป็นกลางเป็นอย่างไรถ้ามีความเป็นกลางภายในจิตเป็นปกติ ความสมดุลเกิดขึ้นมันก็เห็นวนะ่ารู้ซึ่อๆรูๆ้เฉยๆนะชัดแต่ใหม่ๆมันจะมีนิรวรธรรมเกิดขึ้นมาไม่ชัดนะมันจะไปบังก่อนแทนที่จะเข้าตัวรู้สึกตัวเข้าถึงความรู้สึกตัวในการเคลื่อนไหวของกายทางนังมันเข้าไม่ถึงท้ายสุดแล้วก็คือมีแต่ความรู้สึกตัวอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาก็รู้สึกตัวเกิดความคิดเกิดขึ้นก็รู้สึกตัวสติศีสมาธิปัญญา ก็อยู่ในความรู้สึกตัวมันก็จะเห็นอย่างนั้นเป็นบุญเป็นบาปยังไงมันก็อยู่ภายในจิตที่เป็นปกตินี่แหละแสดงออกมามันก็เลยไปแล้วนะที่ว่าความเป็นปกติเหมือนลอยเท้าช้างอันนี้เป็นคําพูดของโอสมเด็จสัมมาวันเจ้าสติเนี่ยเหมือนรอยเท้าช้างธรรมที่เป็นกุศลอกุศลเน่ยเหมือนกับสัตว์เล็ สัตน้อยต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเป็นรูปรอยของความคิดอารมณ์ปรุงแต่งเราก็ไม่ให้ค่าไม่ให้ราคาเรียก ว, วิราคามันมีวิราคะเกิดขึ้นมาไม่ให้ราคาเมื่อเกิดวิมุติขึ้นมาเมื่อก่อนมันให้ราคาก็เป็นสมมุติบัญญัติต่างๆสิ่งเดียวกันบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบ อย่างเสื้อตัวหนึ่งเราซื้อมาบางคนก็เลือกแล้วก็ทิ้งแล้วทิ้งอีกรถคันนี้เราไปดูมาปรากฏเราคนอื่นก็เลือกเ้าก็เดินผ่านไปแล้วก็ไม่ได้สนใจโทรจับมือถือเครื่องนี้นะคนอื่นก็ดูเขาไม่ได้สนใจแต่เราก็พุ่งใจของเราไปเลยอันนี้แหละเราชอบมันก็เป็นสมมติบัญญัติยเี้บางคนก็ชอ บ, ชอบสู ง, บงคนชอบดํบาคนชอบขาวบางคนชอบเตี้ย ก็เลยมีการค้าขายทำธุรกิจกันกันกบคนที่ชอบสมรสหยัดแตกต่างกันไปเช่น New Zealand, นินวซีแลนด์สวิตเซอร์แลนด์ก็จะผลิตนมลิตละแสนสี่คนไทยก็บินไปซื้อมากินกันเกนล้วจะสูงว่างั้น เซนหนึ่งกะหมดสักประมาณสองลิตรก็ประมาณสองแสนแปดลิตรแสนสี่สองลิต ร, 4, ตรนาสูงเลยสนญ่ัลกรรมก็บอกว่าเออมันก็ดีแต่ว่าผ่าตัดนี่แน่นอนกว่าขอเจรละแสนห้าก็แล้วกันตัดยืดกระดูกคนบางทีก็ยอมเจ็บยอมเสียเงินเสียทองไปเพื่อให้ได้สมมุติอย่างที่ตัวเองต้องการ บางคนเนี่ยเท้าเต็มไม่ดีตามลักษณะของพุทธลักษณะก็บอกว่าดีแต่บางคนบอกว่าไม่ดีต้องเท้าโกงๆนะกลายเป็นมปมด้อยบางคนบอกยุคนี้ต้องหน้ายาวเกาหลีเทรนถ้าหน้ากลมๆป้อมๆเลี่ยมๆเนะี่ยถือว่ามันไม่รวมยุครวมสมัยถือว่าเป็นปมด้อยนะบางคนถ่ายรูปเนี่ยต้องทําคางยาวยื่นไปอีกนิดนึง อันนี้จริงๆเลยเนี่ยลองนึกตัวน้ามันกลมๆแล้วทําให้คางยาวเงี้ยเหมือนคนพิการนะนะโยมมีพระอยู่รูปหมดในแล้วเป็นลูกหมออยู่ที่สุริแลนด์เป็นปมด้อยอย่างก็เลยแล้วก็มีรูปที่พังศึกไปน่ะเป็นปมด้อยอย่างมากทั้งๆหน้าตาเราก็ดูงดงามหล่อเหลาทีเดียวทุกคนมองตัวเองมีปมด้อยหมาเลยนอันนี้เกิดจากมาจากสมมุติมันหยัดถ้าหลงไปคิดไปปรุงต่างๆมากมายแล้วก็ บางทีก็สมมติโกหกหน้าตายรถคันนี้สีเขียวเราไปดูมันเขียวตรงไหนว่าขาวจ๊วดอย่างนี้มันก็เลยโอ้เป็นเรื่องที่เราจะต้องรู้เท่ารู้ทันกันโลกใบนี้มีอะไรมากมายกันที่หลอกลวงเราอยู่ตลอดไม่รำมันละไม่มีใครหลอกเราหลอกมีแต่เราหลอกตัวเราเองนะแต่ถเรามีความรู้สึกตัวเราก็เห็นนะอ๋อมันมีตัวรู้ที่มันคือคําตอบ มันเป็นคำตอบที่ตรงที่สุดวิปัสสนาจะเห็นโลกตามความเป็นจริงแล้วเกี่ยวข้องถูกต้องนี่แหละเราก็จึงชวนกันมาวัดป่าสุโนตัก็อย่าไปทำอย่างอื่นเลยเหมือนเมื่อเช้าถ้าใครมาฟังเทศหลวงพ่อเขียนเทศมันสะใจมันถึงใจยิงปฏิบัติในเห็นแล้วโแต่ละประโยคประโยชมันยิงโดนเราทุกเม็ดเลยโดนกิเลสที่มันหลบซอนมันนอนเนื่อง เป็นมันทิ้งเครื่องเศร้าหมองหลาหลื่นไหลชั้นในชิตของเราแล้วก็มาลอกกันวิธีลอกก็ไม่มีวิธีการอื่นเจริญสติปัฏฐานสี่ให้ครบมีสติเห็นกายมีสติเห็นเวทนามีสติเห็นจิตมีสติเห็นธรรมชาตินก็คือเห็นรูปธรรมนามธรรมเห็นกายเห็นใจของเราเนี่ยล่ะจังท่าเหมือนกันว่า การใช้ชีวิตที่เหลืองเราเกิดกำไรขึ้นมาคุ้มค่าในการได้กายได้ใจได้ชีวิตมาเป็นมนุษย์แล้วครับพบพระพุทธศาสนามีวัดบาลามมีวิธีการไปรบัติเป็นสูตรสำเร็จอืใจเดียวสู่การรู้แจ้งที่พรมาจารย์หลวงปู่เทียนจิตเต๋อได้นำมาเผยแพร่เราก็น้อมรับเข้ามาปฏิบัติฝึกหัดกัน นะก็ขอให้พวกเราทุกคนที่ได้มีโอกาสมาทำวัดเยนในวันนีนะ้ก็มีโอกาสที่จะฝึกสติปัานานะตามรอยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเรานะจนทั้งเข้าถึงเจตธรรมนะเห็นธรรมชาติตามความเป็นจริงแล้วเกี่ยวข้องถูกต้องจนตั้งอยู่ในโลกนี้อนะย่างผาสุขนะเป็นความสุขสงบเย็นนะที่เรียกว่าสภาวะของนิพพาน จนทั้งมีความสุขเสียมสรสนโดยทั่วนากันทุกท่านทุกคนเธอ